ไม่ได้เจตนาจะเห็นไตรลักษณ์ก็เห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามของกายของใจของธาตุของขันธนะ์แต่ถ้าฝึกจนมันหมดเจตนาไดนะ้สติสมาธิปัญญาเกิดแต่ว่าไม่ได้เจตนาให้เกิดสติสมาธิปัญญานั้นจะเป็นพลังที่แก่กล้าในอภิธรรมนะสอนเอาไว้ว่าจิตที่เป็นกุศลนนะั้นมีสองพวกนะอันหนึ่งต้องชักนําให้เกิด อันนี้มีกําลังอ่อนอีกอันหนึ่งเกิดเองอัตโนมัติขึ้นมามีกําลังแก่กล้าสติสมาธิปัญญาเป็นกุศลจะต้องแก่กลาถึงขนาดอัตโนมัติแก่กล้าถึงจะมีกําลังล้างกิเลสได้ในการจะฝึกอะไรจนมันเป็นอัตโนมัติเนี่ต้องทำแล้วทําอีกเหมือ น, นเราหัดขับรถนะหัดขับรถใหม่ๆต้องคิดนะจะ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 เรียกสาธารณกุศลอยากทำบุญอยากใส่บาตรอยากฟังธรรมอยากรักษาศีลอยากนั่งสมาธิอะไรอาศัยมีสติทั้งหมดะแต่สติที่จะพาเราข้ามพพข้ามชาติได้เรียกสติปัฏฐานเป็นสติรู้กายสติรู้ใจถ้าสติรู้อย่างอื่นแล้วก็ยังข้ามพพข้ามชาติไม่ได้เป็นสติซึ่งคุณภาพต่ำสตินั้นต้องเป็นสติรู้กายรู้ใจสติปัฏฐาน มันจะอัตโนมัติได้ก็ต้องคอยรู้กายรู้ใจ jet, บ่อยๆนะรู้สึกร่างกายเรื่อยๆนะต่อไปมันก็ไม่ได้เจตนารู้สึกมันก็รู้สึกได้เองมีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจก็รู้สึกเรื่อยๆไปนะมีความสุขเกิดขึ้นรู้สึกมีความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้สึกพอรู้สึกบ่อยๆรู้สึกประจำนะต่อไปไม่ได้เจตนาจะรู้สึกนะพอความสุขผุดขึ้นมาสติก็ะระลึกได้เลวยว่าตอนนี้มีความสุขละ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 จิตจำสภาวะได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติแล้วเรามีสติคอยรู้สึกในร <Rev ive. S 2> ่างกายบ่อยๆร่างกายหายใจออกคอยรู้สึกร่างกายหายใจเข้าคอยรู้สึกเหยียใจลอยร่างกายยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกเหยียใจลอยความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายคอยรู้สึกเหย่าใจลอยไปความสุขความทุกข์เฉยๆความเฉยๆด้วยเกิดขึ้นในจิตใจเราก็คอยรู้สึกเอา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 หลวงพ่อเห็นมาด้วยตัวเองเลยตัวนี้ที่เอามาพูดพูดนะ่ะไม่ใช่ว่าไปกลางตําราพูดนพูดมาก่อนที่จะไปอ่านตาําราเคยเข้าไปหาหลวงพระเทียนที่ว่าสนามในท่านมีชื่อเสียงอยากจะเห็นท่านอยากจะเห็นท่านตอนนั้นเรียนจากหลวงุู่ดูลนะเข้าใจหลวงพู่ดูลบอกเข้าใจช่วยตัวเองได้แล้พวพอท่านบอกว่าช่วยตัวเองได้แล้หวหลวงพ่อก็ออกไปศึกษาเพิ่มเติมอนนี้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 ผู้รู้คือผู้รผู้ตื่นผู้เบิกบานคือผู้ที่มีจิตมีสมาธิมีจิตที่ตั้งมั่นอยู่นั่นเองดังั้นเราต้องฝึกนะฝึกคาวาะก็ทําได้แตครูบาอาจารย์บางองค์นะท่านรู้ชื่อไม่ได้บอกท่านนะอาจารย์บุญจันทร์ท่ามผาพึ่งอาสจรัณตอนะนลวงพ่ออยู่สวนโพนะอยู่ได้สองปีกว่าๆมีลูกศิษย์ท่านมาหาบอกว่าอาจารย์บุญจันทร์สั่งไว้ว่า